Thank you. ้งกลางผู้คนมากมายหลากหลาย<อ>เธอมีเพียงร่างกายตั้งอยู่กลิ่นทูชุดดำดอกไม้รอบ ก, กายของเธอรูปเธอรอยยิ้มภาพครั้งสุดท้ายเกิดมา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 จะคิดได้ก็้ายไปเสียดายเธอคิดชีวิตต้องอยู่อีกยาวไกลเสียดายคนตายอย่างเธอ ยาวไกลเสียดายคนตายอย่างเธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงที่ซืบทอดบอกไว้กลับตัวไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นเธอปล่อยมันไปเธอคิดชีวิตต้องอยู่อีกยาวไกล เสียดายคนตา